ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่4ี่สบสามาคุยกันต่อในเรื่องอีกย่อยแทรกเกี่ยวกับเรื่องอริยสัตว์ถือเป็นเกร็ดความรู้นะคำว่าอาริยสัตว์นี่ไม่มได้แปลให้ฟังก็เลยแปลสัหน่อยอริยสัตว์แปลว่าอะไร กสักจจะก็ทราบกันดี mm hmm. ก็แปลว่าความจริงพูดในภาษาไทยว่าสัจจะก็รู้กันเลยไม่ต้องแปลเป็นไทยก็ได้อริยะก็แปลว่าประเสริฐถ้า แ, แปลอย่างง่ายๆก็แปลว่าความจริงอันประเสริฐความจริงประเสริฐในแง่ความหมายหนึ่งก็คือว่ามันเป็นของเทียงถ้เาเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เป็นความจริงที่เคยพูดไปแล้วมันยั่งยืนนะชีวิตมนุษย์ยังต้องดําเนินอยู่ยังต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงทังสิ่งทั้งหลายก็จะต้องว่าไปตามหลักการนี้อันนี้ก็ประเสริฐในแง่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นความจริงที่ทําให้ คนกลายเป็นอริยะไปทําทให้คนกลายเป็นคนประเสริฐใครมารู้เข้าถึงสัจจะอันนี้แล้วก็กลายเป็นอริยช น, นกลายเป็นคนผู้ประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าก็ได้มาตรัสรู้อริยสัจแล้วก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอริยะไปแม้ท่านอื่นๆก็เหมือนกันใครมารู้ เข้าถึงอริยสัตว์เ้เข้าถึงสัจจะเหล่านี้ก็กลายเป็นอริ ย, ยะบุคคลดังนั้นก็เลยเรียกว่าอริยสัตว์เพราะเป็นสัจจะที่ทําให้ผู้ที่รู้เนี่ยเป็นอริยะหรือแปลอีกอย่างหนึ่งก็แปลว่าเป็นสัจจะที่อริยะหรืออริยชนได้จัดสรู้และได้แสดงไวัย อริยะร อ, อริยะชนในที่นี้มุ่งเป็นพิเศษก็พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วมาทรงแสดงไว้ในเมื่อเป็นความจริงหรือสัจจะที่พระอริยะท่านแสดงไว้หรือตรัสรู้และแสดงไว้ก็เลยแปล ง, ง่ายๆว่าเป็นความจริงของพระอริยะเป็นความจริงของอริยะชน ความจริงอย่างอื่นก็มีมากมายแต่ไม่เป็นความจริงของอารยชนเช่นการรู้ข้อมูลอะไรต่างๆมากมายซึ่งอาจจะไม่ไรสาระไม่เป็นประโยชน์นะอันนี้ก็เป็นความหมายต่างๆของคำว่าอารยศัตว์ ก็เป็นเพียงเกล็ดความรู้ไว้แต่แปลงง่ายๆก็ความจริงอันประเสริฐแต่ว่าที่แรวาความจริงที่ทำให้เป็นอริยานเนี่ยก็ดีคือให้ความหมายที่โยงไปหาการอธิบายต่างๆให้ได้สาระมากขึ้นทีนี้มาดูถึงเนื้อหาของอริยสัจสี ในอริยสัจข้อหนึ่งบอกว่าโดยย่อหรือโดยสังเขปอุปาทานขันหเป็นทุกขหรือว่าทุกขก็คือปาทานขันห้นั่นเองก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าพูดภาษาไทยก็ทุกก็คือสภาพของสิ่งทั้งหลายทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องซึ่งมันไม่อยู่ในภาวะ ที่เราจะให้เป็นไปตามต้องการมันไม่สามารถให้ความพึงพอใจแก่เราได้โดยสมบูรณ์เพราะนั้นก็จะมีการให้ความหมายของคำว่าทุกนเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษกันต่างๆเวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษ ร, รหัสับยะนิยมแปลทุก s ก f f ว่า n g suffering Suff มันก็เป็นอาการของคนที่ได้รับความทุกข์นี่หรือเป็นตัวความทุกข์ที่คนได้รับมันก็เป็นทุกข์ที่จงแจ้งออกมาแล้วทีนี้ทุกข์ในอริษัทนี่มันไม่จะเป็นจะต้องออกมาเป็นความรู้สึกทุกข์แลใช่มมันเป็นภาวะของสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ เพราะมันอยู่ในภาวะของมันเองซึ่งมันเป็นไปนตามเหตุปัจจัยมันไม่คงที่อยู่มันก็คงอยู่ในภาวะเดิมนั้นไม่ได้ตลอดไปแม้แต่ขณะหนึ่งขณะหนึ่งมันก็อยู่ไปแล้วก็ผ่านไปผ่านไปคนก็ไม่ได้อย่างใจอย่างที่ว่านี่นี้ภาวะนีเราเรียกว่าทุกข์ นั่นมันจะไม่จาเป็นต้องออกมาเป็นความรู้สึกแค่ น, นี้ก็เลยว่าจะแปลยังไงดีก็หาทางแปลกันเยอะแยะหมดฝรั่งบางคนก็แปลว่า ill นะ ill นี่แปล ง, ง่ายๆครับว่าเจ็บป่วยแต่มันไม่จาเป็นต้องแปลว่าเจ็บป่วย ill ในภาษาอังกฤษแปลว่ามันร้ายก็ได้ แปลว่าไม่น่าปรารถนาะมันไม่ดีนั่นเองนะมันมีแต่ความบกพร่องบางท่านก็แปลอื่นเช่นอย่างท่านพุทธทาสก็แปลว่า unsatisfactoriness นะก็แปลว่าภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจนะก็คล้ายๆที่เราพูดเมื่อกี้เหมือนกันว่า สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่สามารถให้ความพึงพอใจแก่คนได้จริงแต่ว่ามองอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าไอ้ที่ว่ามันเป็นทุกข์เป็นภาวะที่คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันถูกความเกิดดับเหมือนกับมาบีบคั้นนะให้ต้องพ้นต้องออกไปจากภาวะนั้นมีความบีบคั้น แล้วก็ความขัดแยง้งอยู่ในตัวตลอดเวลาบางทีก็แปลเป็นสตรี s เปนความบีบคั้นกดดันในสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันจะมีภาวะนี้อยู่ตลอดเวลามันมีความบีบคั้นกดดันที่จะให้ต้องพ้นออกไปจากภาวะเดิม้มีความขัดแย้งก็เป็นคอนฟลิกต แปลกันไปนต่างๆ่ะนะก็ยังหายุติไม่ได้ในที่สุดก็คงต้องทับศัพท์เหมือนกับคำว่ากรรมแต่ก่อนนี้ก็แปลกันนักหนาะคำว่ากรรมนี่หาคำแปลกันแปลเป็นภาษาอังกฤ ษ, ก, ษก็แปลเป็น act เป็น action เป็นดีดอ่าเป็นอะไรกันต่างๆนะหรือบางทีก็เติมคำให้ชัดเข้าไป เพราะว่าเป็นการกระทําที่ต้องมีเจตนาก็เป็นวลิชันน์แอคชั่นการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาหรือเจตจํานง mm hmm. ก็แปลกันไปเป็นมาณในที่สุดเดี๋ยวนี้ทับศัพท์กลมะหรือกรรมฝรั่งก็รู้กันแล้วเดี๋ยวนี้ฝรั่งรู้กันเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่จำเป็นต้องแปลเพราะแปลยังไงมันก็ไม่ตรงแท้นะก็เลยทับศัพท์มันจะเลยไหนๆก็รู้กันกว้างขวาง นั้นกรร ม, มะเดี๋ยนี้ก็ทับศัพท์กันมากใช้แบบบาลีก็เป็น ka d m a กรร ม, มะใช้แบบสันสกฤตก็เป็น k a r มะก็เป็น ka r m a เช่นเดียวกับคำว่าธรรมเหมือนกันธรร ม, มะกับแปลกันนักหนาะแปลยังไงก็ไม่ได้ตรงสักทีธรร ม, มะเนี่ยแปลยากที่สุดแปลยากยิ่งกับกรรมอกีก ธรรมะนี่ความหมายกว้างอะไรต่อะไรก็เป็นธรรมะก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วว่าเอาโดยสรุปรวบรัดก็สี่ความหมายแค่สี่ความหมายก็หาศัพท์ภาษาอังกฤษให้มันคลุมสี่ความหมายไม่ได้ต้องใช้ศัพท์เดียวอ้าพูดได้ในความหมายนี้มันก็ไม่คลุมความหมายโน้ตก็ลำบากฉะนั้นก็แปลเป็นทุดบาง ทุตก็ความจริงแปลเป็นียลิตี้บนะเป็นภาวะที่เป็นจริงสิ่งที่มีจริงนะหรือแปลเป็นหล่อแปลเป็น l a อนี่ก็ใช้มากนะแปลเป็นแนชวลหล่อนะทีนี้มันก็ไม่คลุมมันเป็นตัวกฎเป็นตัวความจริง ทีนี้เป็นธรรมชาติล่ะก็เลยแปลเป็นเนเจอร์ก็มีแปลเป็นสิ่งสิ่งมนในภาษาไทยก็มีนแปลเป็น t เต e ก็มีแปลกันสารพัดในที่สุดก็หาศัพท์อะไรที่มันแทนได้จริงไม่ได้ฝรั่งก็รู้มากคามาเข้ากว่าจะหาศัพท์ที่ดีได้ ฝรั่งรู้จักคำนี้ก่อนและนะก็เลยยังไม่ทันได้ศับลงตัวเลยตกลงว่ารู้กันพอสมควรก็เลยเอา้าใช้ธรรมะสับทับศั์เลยเดี๋ยวนี้ก็ใช้ธรรมะทั่วไปแล้ว dha wma dharma แล้วจะใช้แบบบาลีหรือสันสกฤตดิ c t i o n a r y ฝรั่งเดี๋ยวนี้ที่จะใหญ่มีหมดแลลวคำว่ากรร ม, มะธรรมะนี่ฝรั่งดิชันใส่หมดแหละนะ หรืออย่างนิพพานก็เหมือนกันนิพพานก็ไม่จะแปลอะไรนะซัมมมโบนัมว่าไงนะแปลเป็นอะไรแต่อะไรก็ในที่สุดก็ทับศัพท์ดีกว่าก็ทับศัพท์เป็นบาลีนิบานะหรือเป็นสันสกฤตนิรว น, นะอย่างนี้ก็เข้าดิกชันนารีฝรั่งทั่วไปหมดนะศัพท์พาษธศาสตร์หนาในนี้เข้าดิกชันนารีฝรั่งมากมายแล้วนะสังคะก็เข้าไปอยู่แล้ว ไม่ต้องไปไม่ต้องไปแปลก็ได้เนี่ยเห็นสังฆะฝรั่งก็รู้กันเยอะไม่รู้ก็ไปเปิดดิกฝรั่งเอาเองว่ากันนะพุทธดาก็แน่นอนแล้วอันนี้เขาตอนแรกเขามองเป็นชื่ออันนี้ก็รู้จักก่อนเข้าดิกชันนารีฝรั่งมานานแหละตอนนี้ก็เป็นอาว่าครบพุทธธรรมสังฆะเข้าดิกฝรั่งหมดนีกรรมะก็เข้าไปด้วยนียแล้วก็ สาบอื่นๆอย่างทุกต่อไปก็คงจะต้องเข้าเพราะว่ามันหาคำแปลไม่ได้นีอันนี้ก็เป็นเกิดควา่ารู้อ้าวทีนี้มาเรื่องทุกข์นี่ก็เป็นว่าเป็นสิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยสภาวะของมันที่มันเป็นอย่างงั้นที่คํ้ามาเกี่ยวข้องกับเรานี่ถ้าเราเกี่ยวข้องไม่ดีก็ก่อให้เกิดทุกข์ได้ทางนั้นอันนี้มันก็คือว่าอย่างงั้นในข้อทำในข้อทุกข์เนี่ย ก็เลยได้กระทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์จะเข้าไปเกี่ยวข้องนี่สิ่งที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องนี่มีอะไรบ้างล่ะก็ข้างนอกมันก็เป็นพวกรูปวัตถุรูปธปรรมทั้งหลายใช่ไหมมากมายเรียกแบบสมัยใหม่ก็ จ, จะแยกเป็นธาตุต่างๆเยอะแยะเดี๋ยวนี้ก็มีร้อยกว่าธาตุแล้วที่คนพบจะวิเคราะห์แยกแยะออกไปเป็นอะตอมเป็นพวก อนุภาคต่างๆนะต่อเป็นกระทั่งเป็นคลื่นเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นโลกแห่งวัตถุแต่นี้ว่าในโลกเนี่ยมันมีชีวิตด้วยแล้วชีวิตทั้งหลายนี่ที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือมนุษย์และในมนุษย์นี่มีทั้งด้านวัตถุทั้งด้านนามธรรมอันนี้มนุษย์นี่ก็เป็นสุดยอดของวิวัฒนาการของสิ่งทั้งหลาย ในมนุษย์นี่เป็นประชุมของทุกสิ่งทุกอย่างมีครบนะถ้าพูดที่ชีวิตมนุษย์นี่แทนทุกอย่างในโลกในจั ก, กรวาลได้เพราะมีมาประชุมพร้อมอยู่ที่ตัวมนุษย์นี่ก็เลยเอาที่มนุษย์นี่แหละแล้วเราเองก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักความจริงนี้จะต้องใช้ประโยชน์จะต้องเข้าใจชีวิตของตัวเองนี่นด้วยและจากชีวิตมนุษย์นี่ก็ มันจะคลุมไปถึงสิ่งทั้งหลายให้โทษไปด้วยเพราะว่าในชีวิตมีทั้งรูปธปรปรมนลปนามธรรมเพราะฉะนั้นอรค์พระเจ้าก็ตัดถึงทุกขก็เอาที่ชีวิตของมนุษย์เนี่ยซึ่งมีส่วนประกอบทั้งรูปธรรมและนามธรรมแยกออกไปเพื่อให้ความเข้าใจได้เกิดความชัดเจนขึ้นท่านก็แบ่งเป็นห้าอย่างว่าเป็น รูปธรรมนามธรรมหรือสิ่งทั้งหลายที่จัดได้เป็นห้าหมวดหรือห้าประเภทหรือห้ากองเรียกว่าขันห้าขันห้าแต่ว่าขันห้านี้มันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานคือตัวอุปาทานความยึด ม, มั่นหมายของมนุษย์ไดไปจับที่นี่จากการที่มนุษย์มีตัวตัณหาความต้องการความอยากความปรารถนา ความปรารถนานี้ก็เข้าไปยึดเอาไอ้ตัวขันห้าคือรูปธรรมนามธรรมเนี่ยสิ่งที่มีประกอบเข้าเป็นชีวิตของเราเนี่ยไปยึดถือมั่นหมายว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาดังนั้นอุปาทานเนี่ยเป็นตัวโยงเรากาชีวิตหรือสิ่งทั้งหลายเนี่ยให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมานะฮะอุปาทานนี่เป็นตัว ต่อเลยจากตันหาที่เรามีก็ไปเชื่อมเข้ากาับรูปธรรมนามธรรมสิ่งทั้งหลายมีชีวิตของเราเป็นต้นไปเนี่ยทำให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะอุปาทานเข้าไปจับปั๊บนี่เกิดทุกข์ขึ้นเลยนี่ถ้าไม่มีอุปาทานนี่ก็สิ่งทั้งหลายก็อยู่ในภาวะของมันเป็นทุกข์ตามธรรมชาติไม่เกิดเป็นทุกข์ในตัวคนอันนี้ก็เลยว่าเอาละเพื่อจะให้เข้าใจ ชีวิตของตัวเองเหมือนกับหมอที่จะรักษาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บจะต้องมารักมาเริ่มต้นในการศึกษารู้เข้าใจร่างกายคนอันนี้ว่าไอ้ทุกข์ที่มันเกิดเป็นอาการขึ้นมาเนี่ยมันก็มาเกิดที่ชีวิตนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจชีวิตก่อนก็เลยให้ศึกษาเข้าใจชีวิตนั้นเรื่องทุกข์ก็เลยศึกษาเรื่องขันห้าเนี่ย ขันห้าก็คือองค์ประกอบของชีวิตที่มีแยกได้หรือจัดแยกประเภทได้หหมวดด้วยกันเอานะฮะก็เป็นเรือนว่าชีวิตของเรานี่เกิดจากส่วนประกอบต่างๆมาประชุมกันเข้าจัดแยกประเภทได้เพื่อให้ศึกษาได้ง่ายเป็น5ประเภทหรือ5หมวดหรือ5้ากองเรียกว่าขันห้าคำว่าขันก็แปลว่ากองก็คือหมวดนั่นเอง5หมวด5กอง ซึ่งมันจะเป็นตัวที่ตั้งแห่งอุปาฏฐานของเราอันนี้ขันห้าที่มาประกอบเข้าเป็นชีวิตนี่อ้าวคืออะไรบ้างตอนนี้มาศึกษากันซะหน่อยหนึ่งก็ง่ายที่สุดรูปหนึ่งเรียกว่ารูปเรียกเต็มว่ารูปประขันเอาคําว่าขันไปต่อท้ายก็เป็นรูปประขันหมวดรูปหรือกองแห่งรูป หมดว่าได้รูปนี้ก็คืออา้าวชีวิตด้านร่างกายของเราไนงะด้านรูปธรรมก็อวัยวะต่างๆนะฮะร่างกายของเราตัวสรีระที่มันเกิดจากรูปธรรมย่อยๆต่างๆมาประชุมกันนะถ้าเราแยกในแะง่ชีวิตจะเป็นเซลอะไรแต่เซลเซินอะไรก็เกิดมาจากอะไรล่ะก็เจอถิ่นถาดต่างๆสมัยโบราณ ไม่ต้องพูดยาวแยกเป็นธาตุมากมาอย่างวิเทยาศาสตร์แยกเอาแค่สี่ธาตุพอเรียกว่าปฐวีอาโปเตโชวาโยนะปฐวีธาตุเราก็แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าธาตุดินอาโปกธาตุน้นําเตโชกธาตุไ ฟ, ฟวาโยกธาตุลมว่าเงี้นอันนี้จะแยกแบบวิเทยาศาสตร์ก็ได้นะแต่ว่าจะทําให้คนชาวบ้านศึกษายากขึ้นอันนั้นเราต้องการให้คนทั่วไป เข้าใจได้ด้วยเพราะว่าเจตนาประสงค์เพื่ออะไรเจตนาลมต้องการให้รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยก็คือรูปธปรรมต่างๆมาประกอบเกิดขึ้นถ้าไปเที่ยวศึกษาแบบแยกแยะ แ, แบบวิทยาศาสตร์มันสหนักว่านักวิชาการที่จะต้องใช้เวลาเยอะแยะเลยคืนแยกแบบนั้นชาวบ้านแย่ใช่ไหมกว่าจะเข้าใจธรรมะก็เลยเสียเวลามากนี่ก็ให้เข้าใจว่าอ๋อดินน้าลมไฟ เนะี่ยส่วนประกอบต่างๆมีของแข็งของเหลวกา๊าซแล้วก็ความอบอุ่นหรือความร้อนเนะี่ยนี่แหละอุณหภูมิเนี่ยแหละเป็นองค์ประกอบที่ประกอบขึ้นชีวิตเป็นชีวิตส่วนร่างกายของเราเอาง่ายๆนะนีอันนี้ก็ร่างกายของเราก็เป็นอย่างเงี้ยซึ่งเราจะออกไปดูข้างนอกนอกจากชีวิตของเราเนี่ยในโลกนี้มันก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะ ก็เป็นเรื่องของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยด้านรูปธรรมที่เรียกว่ารู ป, ปรขันนะอันนี้ก็ขอแทรกนิดหนึ่งว่าธาตุสี่นี่แหละมาวิเคราะห์เอาไปนะธาตุสี่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะถ้าจะเอาลึกซึ้งมันมีธาตุหลายระดับธาตุสี่นี่มีความหมายในชั้นห ย, ยาบหยาบ ตามภาษาชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านพูดกันรู้เรื่องดินน้ำลมไฟแต่ถ้าพูดไปอีกระดับหนึ่งก็ของแข็งของเหลวแกส๊สแล้วก็อุณหภูมิถ้าพูดไปอีกอย่างหนึ่งนี่เข้าไปถึงอะตอมเลยเคยมีฝรั่งก็มาศึกษาเพราะว่าเวลาท่านวิเคราะห์ในเชิงวิชาการในคำพีอย่างอภิธรรมเนี่ยนะท่านไม่ได้หมายถึง ดินน้ำลมไฟอย่างที่ชาวบ้านเขาใจนะปัทวีธาตุอโปธาตุแต่โชวาโยธาตุเนี่ยนะเพราะว่าอย่างในน้ำนี่เราหยิบน้ำขึ้นมาเนี่ยเอาขึ้นมาสักหยดหนึ่งเนี่ยน้ำหยดเนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นอโปธาตุใช่ไหมธาตุน้าแต่ภาษาอภิธรรมนี่ไม่ได้ใช่อย่างนั้นในน้ำนี่มีธาตุสี่ครบเลยนะ น้ำอาโปธาตแท่นนั้นเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีทางไปสัมผัสมันหรอก <c oughs> ที่เราสัมผัสนั้นธาตุดินเนี่ยน้ําหยดหนึ่งที่เอาขึ้นมานั่นนะถ้ามือเราไปแตะปั๊บที่เราแตะสัมผัสนี่เราสัมผัสธาตุดินนะเ <c oughs> ออเอาละสิชักยุ่งแล้วชาวบ้านงงหมดใช่ไหมเพราะว่าหยดน้ําที่ใสบริสุทธิ์เนี่ยแฉะแหววเนี่ยมือเราไปแตะเนี่ยเนี่ยเราแตะธาตุดินนะนี่ ตัวอโปธาตุที่เราแปลท่านน้ํานั้นเราสัมผัสไปได้นะในหยดน้ํานั้นมีทั้งธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุฝายครบอ้าวทาไมว่าอย่างนั้นธาตุดินก็คือไอตัวสภาพที่แผ่ขยายกินเนื้อที่เราอาจจะพูดง่ายๆไปคือเนื้อสารใช่ไหมดังนั้นน้ําก็มีเนื้อสารน แล้วก็อาโปคือความดูดซึมน่ยภาวะที่ดึงดูดฝรั่งเคยพยายามแปล ว, ว่า c นะไอตัวปัทวีชาติแปลว่ากินเนื้อที่หรือแผ่ไปฝรั่งก็แปลวะ่า extension ตอนนี้ไม่แปลเป็นเ อ, อิ้แล้วนะปัทวีธาต์มันต้องแปลว่าเ อ, อิ้ใช่ไหมท่ดินในทีนี้ในกรณีนี้เป็นธาต ในความหมายลึกซึ้งทางธรรมะนี่มันหมายถึงภาวะที่กินเนื้อที่แปลว่า extension ทีนี้ a โป t h า t ก็คือภาวะที่ดึงดูดเรียกว่า cohesion ok นะอันนี้ก็ต่อไปก็วา a โย t า t คืออะไรคือความเคลื่อนไหวนะความสั่นไหวฝรั่งก็แปลว่า vibration นะและก็ สุท้ายก็คือเตโชธาตความร้อนความร้อนมีอยู่จริงความเย็นไม่มีมีแต่ความร้อนน้อยมากใช่มหมฮะทีนี้น้ําที่ว่าเย็นแต่เนี่ยที่จริงมันคือร้อนน้อยถูกไหมบางทีน้ําที่เร า, าเย็นเนี่ยเราไปโดนเย็นมาก่อนมาสัมผัสมันกลายเป็นอุ่นเลยถูเไหมดังนั้นไอตัวนี้มันไม่ใช่ ความจริงมันเป็นความรู้สึกเท่านั้นความจริงก็คืออุณหภูมิอันนี้ก็ฝรั่งก็แปล ง, ง่ายๆว่าฮีท้ารวัดก็เป็นเทมเปอร์เจอร์อันนั้นตกลงว่าในน้ำหยดเดียวเนี่ยมีธาตุสี่อันนั้นธาตุสี่ในความหมายแท้จริงทางธรรมะไม่ได้หมายถึงธาตุที่ชาวบ้านเขาเข้าใจทีจนี้ฝรั่งก็ไปดูในอะตอมนี่เออมีอะไร มีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเป็น น, นิวเคลียสไอในนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นอนุภาคเป็นปาติคเลไอพวกนี้จัดเป็นปัตวีธ า, นาในอะตอมที่มันดำรงอยู่เนี่ยมันเป็นไปอยู่เนี่ยมันมีตัวสารอนุภาคนี้แล้วก็มันมีอะไรมันมีความดึงดูด ชมฮะไอเจ้าโปรโตอนอิเล็กตรอนนี่มันจะดูดกันอยู่ตลอดเวลาถ้ามันงั้นมันคุมเป็นอะตอมไม่ได้แล้วมันมีอะไรวยเบรชั่นการหมุนโอ้ไอเจ้าอิเล็กตรอ น, นี้หมุนรอบนิวเคลียสใช่ไหมที่มีนิวตรอนโปรโตอน ไอเจ้าอิเล็กตรอนในหมุนตลอดเวลาเลยนี่คือวเบรชั่นแล้วก็ในเมื่อมันหมุนกันอยู่เงี้ยมันก็มีฮีทตลอดเวล า, นาในถ้ายิ่งหมุนเร็วขึ้นก็ยิ่งมีฮีทเทอร์เรเจอร์ก็ยิ่งสูงขึ้นเพราะนั้นในสารที่มันลุกไหม้นี่อิเล็กตรอนจะหมุนเร็วมาก ตกลงว่าในอะตอมสารขนาดเล็กพอสมควรเนี่ยไม่แยกกักไปแล้วเนี่ยก็จะมีธาตุสี่อยู่ถ้าไม่มีธาตุสี่ครบเป็นอะตอมไม่ได้กลายเป็นว่าธาตุสีในบาลีลึกซึ้งกไอ้ธาตุเอลิเมนต์ของวิทยาศาสตร์เพราะเอลิเมนต์ต่างๆเหล่านั้นต้องประกอบด้วยอะตอมอีกทีใช่ไหมอันนี้ก็คือธาตุสีน่นี่เป็น ภาวะที่อยู่ในอะตอมอีกทีเนะี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพยายามศึกษาความหมายของธาตุสี่ก็เราก็มันจะเป็นชะต้องไปเอาใจะใส่อะไรมากนักพระวาสาระมันอยู่ที่ว่าให้เข้าใจว่าชีวิตด้านหนึ่งนี่คือรูปธรรมได้แก่ร่างกายของเราเอวัยวะต่างๆถึงแยกย่อยออกไปเป็นธาตุสี่นะ อย่างน้อยก็เอาง่ายๆของแข็งของเหลวแก๊สอุณหภูมิเนี่ยอันนี้ร่างกายนี้ที่เป็นรูปธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะตัวเนื้ออวัยวะส่วนประกอบร่างกายแต่หมายถึงอาการพฤติกรรมของมันความเคลื่อนไหวต่างๆของมันด้วยเช่น ว, ว่าการดีดนิ้ว การเดินการอะไรต่างๆแล้วเนี้ยการขยับปากอะไรต่างๆนี่เรียกว่ารูปทั้งนั้นนะไม่เฉพาะตัวเนื้อวัตถุแต่หมายถึงการเคลื่อนไหวด้วยก็เรียกว่ารูปหมดลักษณะอาการความเป็นไปของร่างกายหรือส่วนประกอบของร่างกายทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของด้านรูปธรรมเรียกว่ารูปประคันนะฮะนันตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยจเป็นรูปประคันหมดนอ่า ตนนี้ไอ้ส่วนที่จะมาทําหน้าที่ในการดําเนินชีวิตนี่ที่ท่านเอาใจใส่มากจะอย่างรูปธรรมส่วนตานี่มันใช้ดําเนินชีวิตแล้วจะหูนี่ใช้ดําเนินชีวิตจมูกลิ้นนะมืออเท้าเนี่ยพวกนี้ใช้ในการดําเนินชีวิตพวกนี้จะให้ความสําคัญเพราะมันเกี่ยวกับออกผลไปสู่การดําเนินชีวิตที่ดีงามหรือว่าสุขทุกข์นั่นจะเอาใจใส่เรื่องนี้มากเอาละทีนี้นะหนึ่งรูปแล้วนะ ก็เรียกว่มมารู ป, ปรขันต่อไปสองสามสี่ห้านี่เป็นนามธรรมหมดทีนี้ด้านนามธรรมนี่มีความละเอียดอ่อนท่านเลยแยกละเอียดขึ้นที่จริงถ้ามาแยกก็เป็นนามธรรมหมดก็แยกเพื่อจะให้มองเห็นการทำหน้าที่การทํางานของชีวิตของเราก็แยกนามธรรมนี้ออกเป็นสี่ขันหรือสี่หมวดสี่กองด้วยกันอ่านับตั้งแต่รูปมามัคกี้เป็นหนึ่งก็มาถึงอันที่สองก็เป็นเวทนาขัน เวทนาขันนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งในฝ่ายนามธรรมเป็นอันที่สองในขันห้าเวทนาขันก็คือหม ว, วดหรือกองแห่งเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกความรู้สึกท่านแปลแบบพระแปลว่าสวยอารมณ์นะสวยอารมณ์ก็หมายถึงความรู้สึกความรู้สึกอะไรความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆอันนี้เป็นเวทนาไม่ใช่รู้สึกอย่างอื่น เอานะครับเป็นนั้นว่ารู้สึกสุขรู้สึ ก, สกทุกข์หรือเฉยเฉยนี่คือเวทนาอา้าวทาไมมีเท่านี้ทําไมจัดเป็นตั้งกองหนึ่งเป็นตั้งขันหนึ่งละมีนิดเดียวรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยทำไมจัดมาให้ใหญ่โตเป็นตั้งขันหนึ่งละนี่แหละสําคัญนักเรื่องสุขเรื่องทุกข์นี่แหละมันมีบทบาทสําคัญและเกินในชีวิตมนุษย์นะฮะมันเป็นเรื่องใหญ่เลย มนุษย์ที่ดำเนินชีวิตกันอยู่นี่เรามองในแง่หนึ่งนะคือการแสวงหาสุขทางนรกนะที่เราเคลื่อนไหวมาแม้แต่ว่าไปประกอบอาชีพทำมาหากินอะไรต่างๆดิ้นรนขนควายตลอดจนกระทั่งมาเกิดการสัมพันธ์กันในทางดีก็ตามไม่ดีก็ตามในการแย่งชิงทำร้ายกันใช่ไหมเอ่อทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหาสุขและหนีทุกข์พะนั้นเรื่องสุขเรื่องทุกข์เป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์เลย ต้องจัดให้ความสคาคัญเป็นพิเศษมันมีบทบาทอย่างยิ่งเลยในการกำหนดวิถีชีวิตพฤติกรรมความเป็นไปในทั้งในชีวิตบุคคลและในสังคมทั้งหมดเลยอย่างแค่ฝรั่งหรืออารยธรรมปัจจุบันมีความเชื่อว่าสุขก็คือการได้มีวัตถุเสบบริโภคพรั่งพร้อมนี่ใช่แค่นี้ก็พัฒนาอุตสาหกรรมเต็มโลกใช่ม ทำให้มีการทำลายธรรมชาติกันขนานใหญ่มีการบริโภคนิยมสังคมมีเป็นสภาพที่ครอบงมสังคมไปเลยเพราะนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากเอาละก็เป็นอันว่านี่เรื่องสุขเรื่องทุกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตและสังคมมนุษย์นี่ ทำอะไรทุกอย่างดำเนินชีวิตหรือแม้ประกอบกิจกรรมในสังคมหรือแม้แต่ว่าวิถีของสังคมค่านิยมอะไรต่างๆเนี่ยมีเรื่องทุกข์เรื่องสุขนี่เป็นเป้าหมายสำคัญเป็นตัวอิทธิพลอยู่เบื้องหลังเนี่ะนั้นก็มนุษย์ก็มุ่งหาความสุขและหนีความทุกข์ก็ทำให้ชีวิตและโลกเป็นไปต่างๆแล้วก็มันก็เป็นตัวอิทธิพล ต่อขันอื่นที่จะพูดต่อไปด้วยนถ้าเรื่องใดทำให้เกิดสุขเราก็เอาใจใส่มากไอตัวขันอื่ น, นมันก็จะมาทำงานหนักเพื่อจะมาสนองตามอิทธิพลของความรู้สึกเวทนานี่ใช่ไหมเพราะนั้นก็ให้มองเห็นความสําคัญของเวทนาหมวดนี้ก็แค่รู้สึกสุขทุกเฉยๆเท่านั้นแต่เป็นหมวดใหญ่เป็นประเภทหนึ่งของ ด้านหนึ่งของชีวิตของเราที่เราจะต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามให้ถูกต้องเอาละครับวันนี้ก็เรื่องเวทนาอยู่ในขัน5เป็นขันที่2ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อน